Book two. e i t a e s m w e s o m e i Časovi vreme. Časovi vreme. Sorry. Izvinete. Izvinete. กี่โมงแล้วครับคอูขอบคุณมากครั บ, บลดบมนกุมันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิก า, าดเ อ, เอดอด มันเป็นเวลาสองนาฬิกาชัสตเอ็ดวาตเอามันเป็นเวลาสามนาฬิกาชัสตเอ็ชั้ตเอมันเป็นเวลาสี่นาฬิกาชัสตเอ็ชั้สตเอ มันเป็นเวลาห้านาฬิกาชาสุดเอปิชาสุดเอปมันเป็นเวลาหกนาฬิกาชาสุดเอชาเอ e ช e มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกาชาเอซชาสุดเอซ มันเป็นเวลาแปดนาฬิกาชาสอมเอมันเป็นเวลาเก้านาฬิกาชาอวเอวมันเป็นเวลาสิบนาฬิกาชาอตเอ มันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาชาสตเอเอดินาตมันเป็นเวลาสิบสองนาฬิก า, าเอดวาน า, ตาเานาตหนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที หนึ ong, ok ่งนาทีมีหกสิบวินาทหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงมีหกินาทีหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง มี24ชั่วโมง1วันม24 часа.